เพิ่งพากันตั้งใจให้ดีเวลานี้เรามาประชุมพร้อมเพียงกันในศาลากา ร, ปรเปรียนนี้ความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะมาฝึกตนไม่ใช่หมายอย่างอื่นต้องระลึกไว้เสมอคำว่ า, าฝึกตนนั้น ทำมอย่างนั้ น, นยมันก็ทอ้อใจเพราะกิเลสมันไม่ต้องการให้คนฝึกตนกิเลสมันอยากให้ใจลอยไปตามกระแสของโลกอยู่เช่นนั้นนั่นลักษณะของกิเลสลักษณะของธรรมะ มันเป็นการทวนกระแสะกลับไม่ลอยไปตามกระแสะของกิเลสคุณต้องให้เข้าใจนั่นแหละคำว่าฝึกตนฝึกจิตดวงนี้มาให้มันไหลไปตามกระแสะของกิเลสฝึกให้มันทวนกระแสะกิเลสเหมือนบุคคล ลอยน้ำทวนกระแสขึ้นไปเบื้องบนธรรมดาการว่ายน้ำทวนกระแสขึ้นไปเบื้องบนต้องได้ออกกำลังเต็มที่ถ้าไม่ออกกำลังเต็มที่ก็สู้กระแสน้ำไม่ได้กระแสน้ำยอมจะพาพัดไหลไป ทางใต้ น, นขึ้นเหนือไม่ได้นั่นนี่ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยจิตนี้ถ้าไม่ฝึกแล้วมันก็อุปมาเหมือนอย่างคนที่ไม่มีเรี่ยวแรงตกน้ำลงไปถูกกระแสน้ำมันพัดไปเกาะเยื่อไปค้างอยู่ตามเกาะตามแก่ง อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยบุคคลไม่ฝึกผลจิตกิเลสบาปท ร, รมมันกน็ฉุดคล้าพาไปเสวยสุขบ้างเสวยทุกบ้างอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ไม่ทราบเมื่อไรจรึงจะพ้นทุกสักทีถ้าไม่คิดว่าจะฝึกตนนี่ ไม่มีทางพ้นทุกได้คนเราอะไม่มีทางพ้นทุก์ได้เพราะว่ามันตกเป็นทาตของกิเลส ต, ตัณหามันจึงพ้นทุกไปไม่ได้ดังนั้น ทุกคนให้พึ่งตื่นตัวกันอันเราเป็นทาตของกิเลสตัณหามานี่นับชาตินับพบไม่ทวนแล้วไม่ใช่เฉพาะแต่ชาติชาติเดียวเท่านี้กิเลสตัณหามันพาไปตกนรกหมกไม่ไปเป็นสัตว์อะไรช้านไปเป็นเปรตอะไรก็คณ น, นานับไม่ทวนแล้วแหละแต่ มันลึกชาติหนหลังไม่ได้เฉยๆจึงดูเหมือนว่ า, าแต่อดีตล่วงแล้วมาตนไม่ได้ประสบความทุกข์ความลำ บ, บากอะไรข้อนี้นะมันทำให้คนลืมตัวไม่ไม่คิดที่จะฝึกตัวเองอวิชชาโมหะนี่มันมีมายาสาไถไม่ใช่น้อยอ ไม่คิดว่าตนนั่นนะไปเบืองหน้ามันจะมีทุกข์อย่างไรบ้างมันไม่คิดถึงตัวเองตัวเองละกิเลสไปได้เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ หรื อ, อยังไม่ได้คิดละเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้สนใจเลยบางทีอาจจะไม่รู้จักคำว่ากิเลสทำเป็นไงคนเราเนี่ยเพราะชื่อนี้เป็นเป็นชื่อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นทรงแสดงคำว่ากิเลสนันถ้าว่าเป็นภาษาไทย จริงๆแล้วก็หมายเอาสภาพที่ทำใจให้เศร้าหมองขุนมัวนั่นและเรียก ว, ว่ากิเลส <c oughs> <c oughs> ดังนั้นถ้าผูใ้ใดพิจารณาเห็นว่าขณะ น, นี้ใจของตนมันขุนมัวเศร้าหมอง <c oughs> เส้นนี้แล้วก็ <c oughs> ก็รู้ได้เลย ว่ากิเลสมันครอบงำก็จะได้ขจัดมันออกไปจะไม่ยอมให้มันครอบงำใจให้เศร้าหมองขุนมัวอยู่อย่างนั้นนิวรนธรรมนี่มันก็บทำใจให้เศร้าหมองขุนมัวได้เหมือนกัน <c oughs> นิวรนธรรมแปลว่าทำอัน ก, กั้นจิต ไม่ให้บรรลุความดีได้นั่นก็เป็นความจริงอ่ะถ้าบุคคลปล่อยให้ความรักครอบงามจิตใจเช่นนี้แล้วก็มันจะพึตดประพฤติคุณธรรมสูงขึ้นไปก็ไม่ได้เลยเช่นประพฤืชพรหมจรรย์อย่างนี้นะมันทําไม่ได้ถ้าบุคคลยังอาอะไรในความรักอยู่ <c oughs> บางทีก็ไปทำบาปกมอันชั่วร้ายเพราะความรักนั่นก็มีถ้าไม่ถึงก็ไปทำบาปอย่างนั้นก็เป็นเพียงความคิดอยู่ในใจคิดไปพิดมามากเข้ากดใจก็เศร้ามองขุนมัวไปด้วยความรักความใคร่อันนั้น ความชังก็เหมือนกันเมื่อมันยึดถือเอาความเกลียดชังใครในอดีตที่ล่วงแล้วมานะันมันนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาใจมันก็ขุ่นงุดงิดขึ้นมาด้วยความโกรธอย่างนี้แหละใจมันจึงได้เศร้าหมองขุ่นมัวบางทีก็ เอาเกิดใจหดถูท่อแท้อ่อนแอในเวลาเช่นนั้นแล้วก็มีแต่นอนกับนอนไม่คิดอยากจะทํางานอะไรอ่ะจะไหวพระโสดโทนก็ไม่ได้มันขาง่วงอืแล้วก็ไม่คิดว่าจะกําจัดความง่วงนั้นเลยพอเง่งง่วงมาเท่านั้นก็ไปหานอน นี่เรียกว่าคนผู้ที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสมันถึงไม่ได้ทำความดีถึงไม่ได้ทำรักจิตใจตัวเองเมาแต่นอนไม่รู้จักประมาณในการหลับการนอนก็ไม่สามารถที่จะสร้างบุญกุศลให้เจริญงอกงามขึ้นในดวงกิจนี้ได้ บางคนก็ปล่อยใจของตนให้เลื่อนลอยไปทั่วที่ภพไม่รู้จักห้ามจิตใจตัวเองมันคิดมันฟุ้งไปในอารมณ์ต่างๆก็ปล่อยให้มันคิดมันฟุ้งไปอยู่อย่างนั้นไม่ห้ามตัวเองนี่เมื่อเมื่อปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านไปแล้ว น, นะมันไม่มีความสงบได้มันก็บุญกุศลก็เกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าจิตผู้ใดยังฟุ้งซ่านเลื่อนลอยโยบุญเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าอย่างนั้นนี่จะบาปนั่นน่ะมันจะคอยเกิดขึ้นนะดังนั้นให้พากันเข้าใจตื่นตัวถ้าหากว่าตนนั่นไปหลงปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอย่างนั้นนะ่ะมันเป็นทางเดินของกิเลสอ่ะทําให้กิเลสอ้วนผีขึ้นเลย เป็นอย่างนั้นบางคนก็สงสัยลังเลในเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่ามันมีจริงหรือไม่หนอหรือว่าในตัวของเรานี่มีบาปหรือไม่หนอะทั้งที่บาปอยู่ในใจนี้ก็ไม่รู้นะบางคนน่ะก็จึงทำให้เกิดสงสัยขึ้นมา เมื่อมันสงสัยขึ้นมาแล้วมันก็ลังเลแล้วจะทําความดีอะไรให้ก้าวหน้าก็ทําไปไม่ได้เพราะมัวแต่สงสัยกลัวว่าทําแล้วมันจะไม่ได้ผลถ้าทําถูกต้องแล้วทําไมมันจะไม่ได้ผลล่ะเรามีคําสอนเป็นบรรทัดฐาน่ะเราเดําเนินไปตามคําสอนนั่นนะของพระพุทธเจ้านั่นแล้วมันก็ไม่มีผิดแลย แต่จย่าไปเอาคำสอนของผู้อื่นม า, มาว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะในรับรองอันนั้นนะบางคนก็ไปเอาคำสอนของพวกพราหมณ์นนศาสนาพราหมณ์น่นมาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสำคัญเข้าใจเอาเพียงคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทาอย่างนี้ ไอ้อย่างนี้เนี่ยมันเข้าใจผิดไปมากแบบนี้นะเพราะฉะนั้นทําไปมันก็ไม่ได้ผลแน่เพราะมันตั้งจิตไม่ถูกทางการที่เราทํากุศลความดีอะไรที่จะได้ผลดีมากนั้นก็เพราะเหตุว่าเราตั้งจิตให้มันตรงต่อศีลตรงต่อธรรมจริงๆอย่างนี้แหละ สำหรับผู้สนใจในทางภาวนาแล้วมันก็ต้องสนใจในศีลด้วยชำระกายวาจาให้สะอาดปราศจากกิเลสป่าประธรรมส่วนยำหยาบนั่นแหละเมื่อกำจัดกิเลสยำหยาบนั้นออกไปจากกิจใจได้ ใจมันก็เ บ, บิกบานพองใสมันก็ไปฟุ้งซ่านเลื่อนลอยมันเป็นอยู่นี่แหละจิตใจของปุถุชนคนผู้หนาไปด้วยกิเลสเราต้องให้เข้าใจเราต้องมาอ่านดูตัวกิเลสให้มันเห็น มันจะอ่านเห็นได้เพราะสะกดใจนี้ให้สงบลงไปก่อนให้ใจมันตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณจริงจังเช่นนี้แหละมันจึงมองเห็นตัวกิเลสได้ถ้าไม่ทำใจให้สงบระงับจากนิวรณ์ทางน้านี้ก่อนแล้วไม่สามารถจะรู้ได้นีแต่สงสัยรังเลอยู่นั้นแหละ เออบาปนี่มันเป็นยังไงหนอมีจริงหรือไม่หนอไม่เห็นไม่เห็นมันมีตัวมีตนอะไรผูสงสัยแเราก็เป็นอย่างนี้แหละมีแต่สงสัยเป็นพื้นตัดสินใจอย่างไรก็ไม่ลงเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้นั้นก็ไม่สามารถที่จะทําความดีให้ก้าวหน้าไปได้ตนเคย มีคุณความดีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นเนี่ยดังนั้นทุกคนอย่าไปปล่อยจิตให้สงสัยลังเลเมื่อคิดสงสัยหรือพิจารณาเรื่องอะไรไม่ออก <c oughs> ก็จําเรื่องนั้นไว้เมื่อได้พบนักปราบัณฑิตก็เรียนถามท่านท่านจะได้ชี้แจงเหตุผลเรื่องนั้นนั้นให้ฟังจนหายสงสัย เพราะคนเรานี่มันแบบน้ำไหลไม่ทันกันนะอต้องรู้กฎธรรมดาเหล่านี้ท่านผู้ใดมีศรัทธาก่อนมีปัญญาเกิดขึ้นก่อนท่านผู้นั้นก็ทำความดีได้มากมีคุณวุฒิสูงอย่างนี้แหละผู้ใดเกิดมาในภายหลังก็ได้ทำความดี เข้าใส่ใจไว้แต่น้อยอาศัยความดี น, นั้นเป็นกำลังทำให้เกิดปัญญาขึ้นมองเห็นเหตุเห็นผลของชีวิตได้ตามเป็นจริงมองเห็นว่าชีวิตนี้เป็นมาด้วยบุญด้วยกรรมเป็นมาด้วยบาป <c oughs> มันถึงได้ประเสริฐสวยผล ทั้งสุขทั้งทุกขคุกเข่ากันไปอยู่อย่างนี้อันบาปนั่นเรียว่าผลของบาปนั่นก็คือความร้อนใจความทุกข์ใจความทุกข์กายแบบรักษาไม่หายเมื่อบาปกรรมมันตามอำนวยผลให้นะจะเอาหมอยาวิเศษอะไรในโลกนี้มา ช่วยรักษาให้ก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผลแห่งบาปกรรมนี่มันมีอำนาจเหนือชีวิตของมนุษย์เราผู้กระทาผู้ใดไม่กระทาบาปกรรมนั้นมันก็ไม่ไม่มีอำนาจเหนือชีวิตของผู้นั้นดังนั้นเลยให้เข้าใจความหมายของการภาวนา ภาวนานี่ก็เพื่อจะฝึกใจให้เข้มแข็งให้ตั้งมั่นลงต่อบุญต่อคุสนต่อคุณพรรตนาไกลเอาเป็นที่พึ่งเป็นกำลังใจไว้มเมื่อจิตนี่ได้ตั้งมั่นลงไปในบุญในคุณได้แล้วอย่างนี้มันก็ ไม่ยอมปล่อยให้นิวรณธรรมครอบงำจิตได้จิตก็ครอบงมไม่ได้เพราะว่าจิตตั้งมั่นไม่วันไหวแต่คนส่วนมากว่าเธอมิจะวันไหวเมื่อกิเลสทำให้ใจอ่อนแอท้อแท้แล้วก็ทำความเพียรไม่ได้เลยทำความเพียรอะไรก็ไม่ได้ นั่งภาวนาก็มีแต่ง่วงแต่งเขามีแต่อยากกลับจากนอนนั่งภาวนาก็มีแต่ปล่อยจิตให้พุ่งสั้นเลื่อนลอยควบควบจิต <c oughs> การควบคุมจิตนั้นไม่เพียงพอดังนั้นให้ทุกคนให้พึ่งใส่ใจเรื่องนี้ให้มากๆทีเดียวการควบคุมจิตตัวเองนี่นะสาคัญมาก หมายควว่าจิตนั้นมีโรงเดียวอ่ะตัวเองแหละควบคุมจิตตัวเองจะไปให้คนอื่นควบคุมให้ไม่ได้ใครจะไปควบคุมจิตของใครได้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังควบคุมจิตผู้อื่นไม่ได้ถ้าพระองค์ควบคุมได้พระองค์ก็ สอนให้คนไปสวรรค์ไปพนิพานหมดแล้วจะไม่มีคนบาปข้างโลกนี้อยู่แล้วแต่นี้พระองค์ก็บังคับจิตกระจายของใครไม่ได้เพียงแต่เพียงที่แนวทางให้เท่านั้นเองโดยที่พระองค์ได้อ้างว่าพระองค์ได้ทำมาแล้วการรักษาศีลให้บริสุทธ การเจริญสมาถะพยายามสะกดใจให้สงบระงับนี่การเจริญวิปัสนาพยายามฝึกใจให้เฉลียวฉลาดรู้จักสอนใจตัวเองตัวเองสอนตัวเองให้ได้โดยที่ได้ฟังเอาคําสอนของพระเถรเจ้าจําอุบายธรรมะได้แล้วก็ไปสอนใจตัวเองเข้าไปด้วยตัวเองนี่แหละ มันจะละชั่วทำดีได้ฮะคนเราจะไปคอยี่พวกอื่นสอนอยู่จำจี้จำใสอยู่นั่นถึงจะทำความดีได้อย่างนี้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าพราะองค์ก็มีภาระสั่งสอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพระองค์จะไม่งงหวังจะสอนเพียงคนคนเดียวไม่แล้ว อันนี้ฉันใดพวกเป็นสาวกก็เหมือนกันนะขันเข้าไปในเพียงแนะแนวทางให้ผู้ฟังจำเอาแนวทางนั้นไว้เมื่อจำได้แล้วก็เอาไปลงมือปฏิบัติตามน้อมธรรมะนันเข้าไปสู่จิตใจให้ได้อย่างนี้นะมันจเก้าวหน้าไปได้การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะ จึงสมกับพุทธภาสิที่ว่าอตตาหิอัตนโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนหนึ่งกหินาถโถปโรชียาคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของตนได้ต่อเมื่อตนได้ฝึกขนอบรมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิริททั้งหลายนั่นเอง <c oughs> นั่นมันยิงจะถึงซึ่งความบริสุทธิ์มันย่อมเกิดจากการพยายามความพยายามของแต่ละคนนะใครไม่พาคเพียรพยายามผู้นั้นก็พ้นจากอำนาจกิเลสไม่ได้จริงๆจะให้ใครช่วยไม่ได้เลยกิเลสแล้วก็ทำพิษสงให้แก่เจ้าของเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นั่นแหละ รวมความแล้วเรียกว่าผูใ้ใดมีกิเลสอย่างไรคล้องอยู่ในใจก็เป็นทุกข์เพราะกิเลสอันนั้นแหละมันมารบกวนใจบ่อยๆเลยแต่เมื่อบุคคลไม่มีปัญญาจะละมันได้แล้วมันก็ติดสอยห้อยตามไปแต่งพบแต่งชาติให้อยู่ให้อาศัยสืบต่อไปมันก็เป็นอย่างนี้ อำนาจของกิเลสดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรเห็นโทษควรเบื่อนายต่ออำนาจของกิเลสดังกล่าวมาควรพากันสนใจในหนทางที่จะขจัดกิเลสนี้ออกไปเหมือนอย่างนักรบนะทหารตำรวจ ต้องได้ฝึกปรือจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่เลยถ้าหากว่าไม่ได้ฝึกปรืออย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้ใจอ่อนแอสู้ค่าศึกไปได้เลยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นค่าศึกภายนอกกิเลสนี่ถือว่าเป็นค่าศึกภายใน มันรบ ก, กวนจิตใจนี่นะให้เป็นทุกข์เดือดร้อ น, นเหตุนั้นละเพราะพระพุทธเจ้าจึงถือว่ากิเลสนี่มันเหมือนกันกับข้าศึกภายนอกนั่นแหละขอแต่จะรบ ก, กวนให้จิตนี่เกิดความเห็นผิดเป็นชอบไปต่างๆนาน า, นาดังนั้นนะให้เพิ่งถือหลักที่ว่านี่แหละ เราจะต้องทำใจให้สงบให้ได้นี่สำคัญนะเป็นงนั้นถ้าใจไม่สงบไม่ตั้งมั่นแล้วมันก็ไม่มีปัญญาที่จะรู้อันนี้คือกิเลสอันนี้คือตัณหาไม่รู้เลยก็เพราะว่ากิเลสตัณหาทั้งหลายมันก็เป็นเดธรรมอารมณ์ ที่เกิดขึ้นกับใจเฉยๆเนี่ยเป็นแต่ความรู้สึกขั้นเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้ตั้งอยู่ตลอดไปมันก็หายไปแต่เมื่อบุคคลยังมีอุปท า, านอยู่ยังยึดถืออยู่เอามันก็สร้างมันขึ้นมาอีกอยู่อย่างนั้นแหละดังนั้นนะคนเรามันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้ เขาสร้างกิเลสมาเผาตัวเองให้เดือดร้อนอยู่นั่นสร้างความโลภขึ้นมาทำให้หวงเห็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากมายหลายหลกักไม่คิดที่จะทำบุญบริจาคทานเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนให้ พยายามรักษาใจตัวเองให้มันได้รักษาใจดวงเดียวนี้ได้แล้วได้หมดเลยรักษาใจดวงนี้ให้ดีแล้วก็ดีหมดเราก็ดีเขาก็ดีเพราะว่าเรารักษาใจได้แล้วเราไม่ไปคิดเบียดเบียนใครนี่นั่นแหละบุคคลอื่นสัตว์อื่นมันก็ได้ความสุข เพราะเราไม่คิดเบียดเบียนใครเรียกว่าได้ความสุขเสื่อนส่วนหนึ่งแทนที่ว่าบุคคลผู้นั้ น, นไม่ละกิเลสตัณหาเนะี่ยมันจะไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่างใดอย่างหนึง่งครั้งใดครั้งหนึ่งให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปแต่นี่เมื่อมา สำมรวมในศีลให้มั่นคงสำมรวมสมาธิให้แนวแน่ไปแล้วไม่ละมันไม่ไปคิดเบียดเบียนใครเลยแม้ใครที่จะมายัวให้โกรธมันก็ไม่โกรธเพราะว่าได้ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษแห่งความโกรธนั้นเต็มที่แล้วเห็นโทษเขามาแล้ว วะนนใครจะมาชวนให้โกรธก็ไม่ไม่เอาแล้วเหมือนอย่างคนรู้จักว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นดงเสือร้ายอ ย, อย่างนี้นะใครผ่านไปแล้วมันกัดเอ า, อาเมื่อรู้แล้วมันก็ไม่ไปทางเส้นนั้ น, น่ะสถานที่แห่งนั้ น, น่ะไปทําไมสัตว์ดุร้ายอยู่นั้นน่ะเอ อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยคนเราถ้ารู้ว่าการส่งขิดไปยินดียินร้ายกับรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกนั้นว่ามันเป็นภัยต่อตัวเองจริงๆอย่างนี้มันก็ไม่ส่งใจไปผูกพันรักให้พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัส ต, ต่างๆหมดนั้นนะ สามารถควบคุมจิตใจตัวเองให้ตั้งอยู่ภายในนี่ไม่พยายามส่งใจคิดไปคราวนี้กิเลสตัณหามันก็ไม่ได้ช่องแรอเพราะว่าจิตนี่มีสติสมัมปชัญญะตามรักษาอยู่แล้วมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ฝึกให้มันตั้งมั่นมาแล้วอย่างนี้นะ กิเลสมันก็จะมาทำจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในสมาธินี่วันไหวไปล้มละลายไปไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้ใส่ใจเรื่องสมาธิให้มากๆกผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยการทำใจให้สงบเนี่ยเป็นหลักแห่งบุญแห่งกุศลเป็นที่รวบรวมไว้ซึ่งบุญกุศล ถ้าใจหลอดแหละอ่อนแอใจเลื่อนลอยแล้วไม่ไม่มีไม่เป็นสถานที่รวบรวมไว้ซึ่งบุญกุศลเลย <c oughs> <c oughs> เหมือนอย่างออค์ไหสสำหรับบรรจุน้ำอย่าง น, นี้ถ้ามันมีรอยร้าวแล้วน้ำจะไม่ได้ขังอยู่ในองค์นั้นเพียบอยู่ตามเดิมเลย มันซึมหนีไปลงดินลงไปซึมไปซึมไปมันก็แห้งไปแห้งไปอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ชั้นใดจิตนี้มันก็เหมือนกับองค์กระไผ่นั่นนะถ้าให้จิตนี้มันเหลวไหลไปตามน้าของกิเลสแล้วมันก็เอาบุญเข้ามาใส่ไว้มันก็ไหลหนีมันรั่วใจใจรั่วมันเป็นยงนั้น ถ้าเรามีสมาธิเนี่ยปิดไหยปิดองคไหยหรือว่าปิดใจตัวเองนี่นะไม่ให้มันรู้อะไรไปตามอำนาจแห่งความชั่วแล้วเช่นนี้นี่มันก็เป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลความดีทุกอย่างไว้ได้ตลอดถึงมักถึงผล ก็เป็นบันไดที่จะก้าวไปสู่มรรคสุผลถ้าไม่มีบันไดขั้นนี้แล้วก้าวไปไม่ได้เลยเก้าวไปสู่มรรคสุผลพนิพพานก็ไม่ได้เลยนี่ขอให้พากันใส่ใจให้มากๆไม่ไม่ไม่ต้องอื่นไกลอะไรเลยตามรักษาจิตตัวเองเนี่ยทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกเวลาทุกนาทีไป รักษาต้องอาศัยสติแล้ว น, นั่นเออาศัยสติตั้งมั่นลงไปอาศัยสติระลึกให้มันได้สัมปชัญญะทำความรู้ตัวอยู่ขณะ น, นี้จนทำยังไงอยู่ในใจมีอุบายแอบคายยังไงบ้างเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ไหมหรือว่าไม่เห็น หรือเข้าใจผิดคิดว่าขันห้านี่เป็นตัวเป็นตนโยนี่ธรรมวิจชยะเข้าไปสอดส่องในธรรมนั้นถ้าหากว่าสมาธิตั้งมั่นไม่ได้มันก็รักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้ไม่ได้อีกอย่าไปเข้าใจว่าเมื่อมันรู้มันเห็นขึ้นมาแล้วมันมันจะตั้งอยู่นั้นเรื่อยไปโดยไม่ต้องรักษาก็ตั้งอยู่นั้นไม่รบเลือนะไม่ใช่ ความรู้อย่างนี้มันก็ยังไม่จริงนะมันกาลังสร้างทมของจริงให้เกิดขึ้นในใจแต่ว่ามันยังไม่จริงมันยังมีเสื่อมได้อยู่ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นความรู้ความเห็นในทางวิปัสสนาที่เขาที่เรากาลัง จ, จเจริญอยู่นี้นะ ดังนั้นให้พึ่งพาการเข้าใจรักษาใจดวงนี้ให้มันตั้งอยู่ภายในเห็นอะไรก็เห็นอยู่ภายในพิจารณาอะไรก็น้อมเข้าไปสู่ภายในปัจจุบันนั้นเห็นแจ้งอยู่ในปัจจุบันนั้นกำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วเห็นไปทั่วโลกเลยนะอะไร ไม่ต้องส่งใจไปไปหามันะ่ะโลกอันนี้นะมันไม่มีสิ้นสุดเลยอ่ะเรากําหนดรู้เอาอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็รู้ทั่วมดเลยเอา้าทําไมไปรู้ได้อ่ะของที่มันลี้รับซับซ้อนอยู่ในพื้นดินอยู่ตามหินอยู่ที่ไหนตัวไหนจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะอา้อาก็รู้ได้ด้วยลักษณะอาการแล้ว ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้พระองค์เจ้าทรงแสดงว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่มันมีการเกิดขึ้นนะเมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วมันก็มีการแตกดับถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่แตกไม่ดับไม่แปรผันเลยอย่างนี้ มันก็ไม่จําเป็นต้องมีศาสนาอไม่มีผู้สร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้ามาสอนคนให้ลําบากเลย <c oughs> มันก็ไม่จําเป็นแหละเรื่องมันนะอออันที่เกิดมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาอยู่ได้นี่ก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ยิ่งยั่งยืนไนงะ ดวงเกีดรีมันมาหลงของไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้หนะลงสัตว์หลงบุคคลหลงสมมุติบัญญัติว่าสัตว์ว่าคนว่านายกนางขออะไรแต่อย่างนี้แล้วก็หลงสมมุติอันนี้อยู่อย่างนี้ลนะ่ะว่าเป็นของเราว่าเป็นของเขาอะไรอยู่อย่างนี้เนะนี่ยเมื่อมันเห็นผิดจากความเป็นจริงอย่างนี้ มันก็ได้รับทุกข์ในภายหลังเลยเมื่อสิ่งที่ตนอาศัยอยู่ตนยึดถืออยู่ว่าเป็นของตนนั่นนะมันแปลปวนแตกดับลงไปอย่างนี้เนะมันก็เศร้าโศกเสียใจมันอะไร น, ะนั่นนะ่ะนี่แหละต้องใช้ปัญญาสอนจิตอันนี้สอนให้มันตื่นตัวว่าตนมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงนี่นะ ถอนในมันตื่นตัวตรงนี้แหละไม่ต้องไปคิดอะไรให้ก่วงของพิสดารก็ได้ถ้าเรารู้เหตุผลความจริงมันนะี่ก็ดวงจิตรงนี้มันมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงจริงๆนี่ร่างกายนี่นะใครว่ามันมันเที่ยงมันยั่งยืนนะมีที่ไหนอะ่ะแต่ว่าใจที่ ถูกอวิชชาตันหาครอบงำนั่นแ่ะมันหนักไม่รู้จักทางออกเลยในมาอาศัยเกิดอยู่ในขันหานี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกทางไหนมันถึงจะพ้นจากทุกถึงจะเป็นอิสระเสรีได้ <c oughs> มันไม่รู้ทางออกเพราะว่าก็ตนยังไม่สิ้นจากกิเลส มันก็จะรู้ทางออกได้อย่างไรอัอนว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงพยายามด้วยพระองค์เองจนรู้อุบายทําอาศวัคิเลธให้หมดสิ้นไปด้วยพระองค์เองเลยเช่น <c oughs> นั้นแล้วพระองค์ยังน้อมเอาความรู้อันนั้นแหละวันนี้มาสอนคนนะความรู้จริงที่พระองค์เจ้าตรัสรู้แจ้งแล้วเนี้ย พราะพระองค์เจ้าตุดตัดรู้แจ้งในหมายความว่ารู้แจ้งทั้งส่วนที่เป็นบาปรู้แจ้งทั้งส่วนที่เป็นบุญกุศลอรู้แจ้งส่วนที่เป็นมรรคผลนิพพานก็รู้ชัดเลยเมื่อพระองค์เจ้ารู้แจ้งในบาปพระองค์ก็ะระบาปได้เมื่อรู้แจ้งในบุญก็สั่งสมบุญให้เต็มได้ เมื่อสั่งสมบูรณ์ให้เต็มแล้วอาศัยบุญเป็นกำลังใจกำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากจิตใจนี่อาศัยบุญกุศลอันนี้เป็นกำลังใจสอนใจให้ละอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นในขันหานี้ว่าเป็นตัวเป็นตนนี่สอนให้มันละมันวางลงไปอันนี้แหละความหมายของ การฝึกตนนะเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วนะการทำสมาธิทำใจสงบนี่เราฝึกเพื่อไม่ให้มันไหลไปตามกระแสของกิเลสเป็นการทวนกระแสของกิเลสให้มายับยั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ตั้งมั่นลงในปัจจุบันนี้อย่างนี้แล้วถ้าหากว่ามันจะมีกิเลสที่ยังเหลือหลออยู่มาแทรกแซงก็ จเจริญปัญญาเ่ยใช้ปัญญาคนคว้าเมื่อเห็นตัวกิเลสแล้วก็ละมันเสียกิเลสอันใดท่านละด้วยปัญญาแล้วส่วนมากมันไม่กลับขึ้นมาอีกมีแต่มันหายไปหมดไปหมดไปมันเวงันเรื่อง ม, มันนะเพราะฉะนั้น การฝึกฝนจิตใจให้สงบภายตั้งมั่นลงไปนี่นะจึงชื่อว่าเป็นบอ่อเกิดแห่งปัญญาอย่าไปมุ่งว่าคิดไปตามอาการภายนอกเฉยๆนี่มันก็รู้แจ้งได้มันก็ละกิเลสได้เอออย่าไปเข้าใจอย่างนั้นความรู้ที่มันเห็นไปมองไปรู้ไปตามกระแสของโลกภายนอกเลย อันนั้นไม่เป็นทางล拉 ก, กิเลสได้อันมันจะ拉กกิเลสได้นี่เพราะมันทวงกระแสกลับเข้ามาในปัจจุบันมาสอนจิตที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันเนี่ยออสอนให้มันเห็นแจ้งเมื่อมันเห็นแจ้งนะ่ะสอนให้มันละสอนให้มันรู้เท่าส่วนที่รู้เท่านะ่ะส่วนที่ละก็ให้ละอะไรที่สอนให้จิตรู้เท่า ทุกแลทุกในขัน้านี่ฮะเพราะตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี่นี่ยทุกนั่นมันก็ติดตามมาอยู่งั้นนะทุกกายโรคภัยก็คอยเบียดเบียนร่างกายนี่อยู่เสมอทำให้กายนี่กระวนกระวายกระเสือกกระสนไปหาหมอรักษามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนะี่ยโรคจิตเมื่อโรคจิตคือความโรคโกรธหลงราคะโทสะโมหะนี่เกิดขึ้นแล้วก็ทําจิตนี่ให้ดิ้นรนกระสับกระสายเหมือนร่างกายนะนะั่นแหละเหมือนโรคภัยเบียดเบียนร่างกายนะนะั่นแหละเอารุนแรงมาพอแล้วก็นอนกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่อางนั้นเนะี่ เดินก็เดินไม่ได้แบบนี้เล่นกลิ้งเอานี่แหละคนเรามันไม่รู้จักทุกเพราะองค์สอนให้รู้เท่าทุกอย่างนี้ขันหน้านี้บังคับมันไม่ได้ไม่ให้มันแปรปรวนไม่ให้มันเป็นทุกข์ก็เมื่อมันบังคับไม่ได้แล้วก็ปลงก็วางไว้ตามสภาพไม่ต้องสําคัญว่าเราเจ็บเราปวดเราจะตาย เราเป็นโน้นเป็นนี่ไม่สำคัญมันเลยแลก็สังขารนามรูปอันนี้มันแปรปวนไปมันกำลังจะแตกจกะดับอยู่ในขณะนี้เราลบสมมุติอันนั้นทิ้งไปเลยอันเนี้ยขันห้านี่ก็ลบลงไปอีกก็เหลือแต่สภาวะธาตุแบบ น, นี้นะอันเนี้ยรู ป, ปรธาตุอารมณธาตุ สิ่งที่มองเห็นด้วยตาเนี่ยเรียกว่ารูปประธาตสิ่งที่รู้ด้วยใจเรียกว่าธรรมธาตุหรือว่าอารูปธาตุแปลว่าธาตุที่ไม่มีรูปร่างมันก็ไม่มีจริงๆไงเช่นความโลภโกรธหลงอะไรพวกนี้นะมันจะมีรูปร่างมาจา่ไหนายอยู่นั้นมันเป็นธรมรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจนั่นนะ ดังนั้นแหละเราต้องอย่างปัญญาลงรู้ได้เลยแบบนี้โอ้ตัณหาอาวิชชาความโรคโกดหลงวันนี้มันก็เป็นธรรมอารมณ์เป็นธรรมธาตุอันหนึ่งไม่ใช่ตัวตนเราเขาที่จะมาหลงความคิดหลงอารมณ์ตัวเองตัวเองหักสร้างขึ้นมาแล้วตัวเองก็หลงแบบนี้อย่างนี้ ผู้ใดมาตื่นตัวได้อย่างนี้แล้วก่อนนั่นนะมันจะละอุปทานได้แบบนี้นะมันจะเห็นแจ้งว่าตนนั่นมาตกคือดวงกิจดวงเนี้ยมาตกอยู่ในท่ามกลางแห่งความทุกข์แท้ๆเมื่อมันรู้ชัดตื่นตัวได้อย่างนี้มันก็พยายามสอนใจนี่ปรองวางขันห้านี่เลื่อยไปอไม่ถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตน ใครจะมาด่าว่าติเตียนยังไงมันก็ไม่โกรธไม่วันไว้แบบนี้นะเพราะว่าเขาด่ามามันก็มันก็ด่าขันห้านี่ด่ารูปกายเนี่ยเพราะมันมองเห็นแต่รูปกายนี้นี้อมันก็ด่ารูปกายอันนี้แหละก็เมื่อจิตเห็นว่ารูปกายนี้ไม่ใช่ตัวตนของตนแล้วก็จะไปโกรธมันทําไมนี่ จะไปโต้อตอบกันไปทําไมเพราะคนพวกนั้นมันกําลังหลงอยู่ตนนั่นพอรู้ตัวได้อย่างนี้แก่ตนก็ไม่โกรธตอบแล้วอันเมื่อตนไม่โกรธตอบแล้วเรื่องชั่วร้ายเหล่านะั้นมันก็ระ ง, งับไปเองไม่ยึดไม่ถือเอามันนะ่ความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆหมดนี้นะเมื่อรู้ว่าร่างกายนี่มันเป็นธาตุ สี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่แล้วก็มีโรคภัยเบียดเบียนเอแล้วก็เบียดเบียนธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยโรคภัยนะมันไม่เบียดเบียนอย่างอื่นนี่ออันที่ว่าตายตายนั่นก็คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยมันแตกดับลงหรือว่าน้ำธรรำเวสนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเนี่ยมันดับลงไปเรียกว่าตายสมมุติว่าตายคนตายเนี่ย แต่ถ้าลบสมมติอันนั้นออกทิ้งไปแล้วปรากฏว่ามันไม่มีคนตายอะ่างนี้นั่นนี่มันไ ม, ไม่มีคนตายมีแต่ดินน้ำไฟลมมันแตกตรายออกจากกันนมามธรรมก็ดับไปตามเรื่องเท่านั้นเลยเรามาพยายามเจริญความคิดความเห็นให้มันแจ่มแจ้งขึ้นอย่างนี้อ่แล้วนี่แหละมันจะเป็นทางหลุดพ้นจากทุก ภายในวัฏฏะสงสารอันนี้จะได้บรรลุถึงซึ่งพานิพานก็เพราะมาละอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาดังกล่าวมา